ทางคนูนังไฟก็จัดรถกันแล้วจ้ะแล้วก็ไปเจอกันไปเจกันยืนนที่เก้า ท, ทุกคนบางส่วนอาแต่แค่บางส่วนนะถึงเงย็นตอนที่เก้านะแลบวั่งรถตวนี้นั่งรถทบเทาตอนเย็นยังที่เก้าก็ถึงที่สี่ที่ห้าแต่ต้องรรวมครวมคนต้อ สี่ห้าจิออกเช้าหน่อยนะครับไปต้องคับเลยจะได้ทุกคนจะได้รู้เยมากกำหนไปเดี๋ยวแปดโมงเตะเลยขาไปไห้ขาไปชาร์จใช่ไหมแต่เหมืนลูกขาปาจะชากว่าเราอ๋ออาจจะออก7หนมงไปถึ่แปดโมงเบื้องต้นก็อาจจะระบุว่าแปดแปมงไปก่อน แปดโมงก่อนเนาะแปดแดมงก่อนสตาร์ทเขาทุกครั้งซือคือเดอนตานสิบโมงวสิบอ๋อที่เราไปถึงมืดอ่ะตายตายขึ้นเดวกว่าจะได้ขึ้นเดี๋ยวก่าจะไอคุยคุยนเร่ออุปกรณ์เออมันก็เลยใจว่าเป็นภาระหาลูกหาอยางได้เพิ่มอะไรกับเรับ้างเอาสตาร์ทแปดโมง แตกก็คือเตียบเดินแถ้าเป็นอาจารย์อยู่ตรงนั้นนะก็เตียินแตกหมดคือไม่าลับไม่เดเตี้ยเี้ยข้าวน้าวกินีปีสี่ปีห้านี่้องตืนางคนแล้วก็อาจจะตื่นปีสามขึ้นมอีสามก็แล้วนอนไม่หลับก็ปีสามก็ลุกขึ้นมาฮะก่อไปก็มามึเข้ามาทอดหมูอะไรอย่างเงี้ยอแล้วก็ช่วยันมาแก๊สเออแก๊สหมูแก๊สเสียวอ่ะเอาอตแก๊น้อยอัน ต่อเอาไปคูนองเงี้ยเอาตัวใหญ่ไปเลยเตัวให่ไหมไม่คือพี่เจ็ดออมี่เจ็ดทางนั้นก็ไว้ี่สนตัวใหญ่อนะันใหญ่ถนะังนี้ก็นเพิ่กันเพาว่าอย่างของระีเขาก็มีมนะั้เพราะว่ามันใบพืชอย่ ง, งย<อ>ตัวของเราไปอ๋อที่สกอใส่ทไมต่อตัด่นี่ะไรแล้วหัวอูที่บ้านผมประดอันนึงกันนะอ๋อเตาแก่ีกๆก็รวมสองขัวก็พอแล้วตัวใหญ่แล้วก็ไปแล้วไม่ต้องไมต้องนะใช่ แา่ไม่ไดต้องลำบากไม่ได้เป็นพระราจาเาต้องยกนะใช่ใก็มันเป็นกินที่มันคข็บเขี่ยตรงโอ้โหไปหงุดหงิไม่ต้องคิดเรื่องต่อแก้นะใช่ใช่ครับที่นี้ก็เหลือแต่ข้อสารข้อสารข้าวสารผมว่าผมจะต้องรู้ข้อสารได้เยอะดันข้าวใบขาไอ้นั้เอาไอ้นี้ไปให้กำลัดรักไปเลยแต่รม่ได้ต้องลำบากแต่ไม่้ต้องคำวณเอาเลยคำนวณแร้วก็สั่งพระเจ้าก็คือ อาจารย์ไปจางสบายของอาจารย์ใช่นะครับไปยุ่งนะน่าจะดีนะวารีไม่ใช่เวลาวารีอาจารย์อจารยได้มีงานน้องอยากก็รีบุดถึงเนียว่าปกติเดี๋ยวอาจารย์จะต้องไม่สบายเป็นไปแล้วเป็นไปแล้วเป็นันที่สิบเนี่ที่สี่สิบี่สิบ้าไปแล้วแล้เดี๋ยวกับลงูไปไม่สบาย เดี๋ยวเราตั้งท่าเดี๋ยวซ้อมแล้วอ่าป่วยแสดงโอ้มันมีเรื่องแรงเฉยขึ้นมาเลยอ่ะมันเป็นอาถันด้วยนี่เป็นช่วงสงการด้วสงการอาถันเป็นทุกรอบเนาะสร่างกายเมันแบบมามันมาสอบอ้เี่ยวตตอนนี้ก็พื้นได้ละสบายแล้ววิ่งได้แต่ว่าไม่วิ่งก็เดินได้อยู่แต่ไนมันมันเป็นยังไงดานว่าเป็นอาการเหมือนปวดหัวปวดหัวปวด ลงไปปวดเลยเนปวดแล้วก็ปวดร่างกายปวดเมื่ดในมื่ดตัวมืดหมดแรงดับไปเลยอแล้วก็ไข้ขึ้นอแต่ไม่มีน้ำมูกไม่ไอาอหมดแรงแล้วก็เป็นอยู่สามวันนี่รูปแปลกดีนะก็ดูเป็นอยู่แลให้หมอปูเดินเดินไปซอะไรอ่ะไม่แไดอพอพอหายกินข้าวไม่ได้กินข้าวไม่อร่อยเบื่ออาหารเด็กก็ไม่ว่าจะติดโควิดจาก พี่หญิงกับพี่เทศตอนที่เขาออกนอที่หนึ่งแล้วอาจารย์แยกกันไปตอนที่สเริ่มเป็นเอะหมอปมาเยี่ยหรือเปลาเนีก็จเรียดีพี่ทำเต็เลยก่อนตนเดี๋ยวดูพระ้าเกิดหมอปูหมอปูไปก็จบต้งแกเียอะไรก็นตรจุก็ได้ที่เราไปป่วยไปเป็นอะไรฟื้เย็ยาอย่างอก็คุยสนั ถ้าเกิดถ้ามีหมอไปก็าการส่งทีนากน่าจะไปด้วยกั น, น, น, ก น, นแต่ดูนังไงถ้ามเคนหัวเ็นแบบใ่วยส่ร่รางกายในไหวจัดในผู้ชายใส่อี่นี้เราก็ต้อให้โปรแกรมข้อมูลนี้การจะก็เบิ้ลต้นในอย่างอย่างเดือนแปดตัวที่สิบเ น, นี่ยถ็าถึงตน เป็นแรกเนี่ยอาจจะเพิมเป็นกลุมัเป็น ส, สบายๆ่ น, น, านคายอยหลักแจ้หลักนี้แล้วนะแล้วที่นอนพี่นอนอิสระแล้วก็ดูใกล้ น, น้ำ1น้า ว, าต ว, ต ว, ตว1ตาแนบว่นแรกน่าจะสมบูรณ์อยู่เพราะว่าเดีเ๋ยวเราเพี่มขึ้นไปเดีเ๋ยวเขาคงจะดำอยู่ก็คือมีูอยู่กันทั้งหมดนะเออลังกตาตาเราคงจดีด้วยอ่าตอนแรกมันเป็นไม่แยกแต่ก็เพราะยัยนนี้คงรูอาการออกแล้วแหละใช่ใช่มันก็จะมีการปรับแตงแต่ละ อันก็จะมีตับตับในระหว่างทุกวันเนรสร็จงานตั้งนึ่ข้าวถทีสีที่้าวนึ่งข้าวมีเ้าาน้าเรียบร้อยอก็เจ็ดแปดโมงเจ้าโมงกระเด็มน้องมี้าโมงแล้วเสวสมองสมตายสายาวเอาหนูเาน้ต็ีตแก้เลยใส่น้ำหมดเตกรอบเลยเอย่างแรกก็เอาคนติดไปคนละปวดสองคนละปวดใหญ่เลยนะถ้าปวดได้ก็สองถึงสามปวดถาเราดีเยอะหน่อยก็คือวัหันแปดโมงถึ แต่มันก็มีกางเขาช่วงระหว่างภาคเที่ยงอ๋อที่เร า, ามีน้ำไปอยู่เราอาจจะไปสองขวด เ, เ, เลาไปปลอดล้อมคนเล็กน่ะเปอกเนี่ยเลยเขมีข้าเที่ยงไงใช่เขาเที่ยงไงแ้ก็จะมีน้ำอยู่ถ้าในลักษณะฝนตกทุกอาทิตย์อย่างเนี้ยมันก็จะมีน้ำอยู่นนรตรงนี้ลนะเราขึนขึ้นเส้นตั้มแแมมเป็นที่เราขึ้นไปจากเส้นที่ปลอดภัสยสุดเพราะว่ายิ่งหลายคนก็ไม่อยากให้ใหมันเละเพื่อนไม่อยากจะเซอร์วีเส้นใหม่ อนที่เป็นพิ่าเสนที่าเส้นหลป็ น, ป อ, นะอะไรเส้นั้งแมพพโนอะไเป็นเดืยเดยอยทั้มเริญผาเก็่นใหญ่น ะ, ะก็จะปีนหน่อยอย่างที่อยูน่นะจะปุ่งไปต้อมตาต่างถึงหกโมงเย็นเช้าคืนที่สองก็ตั้งหมายก็คือเดือยทัท เ, เดือยทัท้มก็เดินผ่านผากรันสาต้องผากรผนปูยองปูดินปูยองปูผ่านบนข้างบนตก ผ่านไปเร่ย้ก็ผ่านาดบิดที่ผ่านช้างวันันวันที่สองอาจจะผ่านช้างฟางวานถึงไอลงลงข้างสองกิโลระยะทางประมาณเก้าถึงสิบกโลบกลบเก้ถึงสิกโลอันนี้มันเดินล้อนหน้าผาไปเนาะใช่ที่ไปอะไรบ่อทรายบ่อรันบ่อทรายเนอะชุ้มงูเห่าทานเนี่ยอาี๋ยวเอเส้นล่าง เป็นนาค่าต่เส้นซับากรอบเนี่ยเป็นหน้าผาเลยเไม่ไม่ตวไม่านตัวอบวันนี้ะละลก็รัลาบาไปว่าแต่อเ อ, เ อ, เอ๊คืนแรกมับบสบายสบายจาุดที่สามใช่ใช่จทีาา่ามก็ได้ยืมฟูร่างกาไปถึงเสียงใ<ห>นป่าดิบช่วงกิโลกิโลสุดท้ายที่ก่อน ห, อหนึงข้าหล่นข้ามเล เอาวตรงที่หลุช้างโอ้ที่คิดว่าเมื่อโลกออกมาแล้วใร้เสามโมงมาประมาณอคา่าเวลาประมาณไปสองไปสามอยู่ประมาณอหรือเที่ยนเพี้ยนอยู่มาณก็เดินแางถงกันส่วนคนที่ไม่ไปไม่ไปต่อก็ห้อยู่ที่หลุมับาไปมหแต้งเโอคนที่ไม่ไปก็ใช่ไหมสามารถแยกตัวเปลี่ยนเสบียงแยกเสบียงอยู่ที่หลุมแต้งเี่ยโอ้อยู่ต่อมันก็มีถํามีอะไรหลบ ก็ขึ้นไปตรงหลังแฝงก็มีหลบหลอมหลบอะไรจริงๆก็ขึ้นไปตรงหน้าผามันก็ปลอดภายอยูมีสัญญาณโทรศัพท์เยอะแย แล้วผาแล้วก็จำทางไว้จำที่กัดไว้หาภาพปลูกน้ำไว้ผอหลอกลงั้นอ่ะอลงแล้วตอนน่้นคต้องลบวะถ้าถ้ากิดลายไปไม่ได้นะบอกใช่มันมาติดหินติดร่องหินอะไรอย่างเงี้ยตอนที่มองเห็นอยู่ดละล้างทามมัด ถ้าถ้าท้าไม่จำเหลียงนี่ถ่าไม่ได้เดียวไม่ระวังพักได้ใช่ไหมสะดุดถึงตกต้อต้องนี้มันสวยสวยนั่นหมวตูนเลยล่าลูปมาตอนเช้าท้อวันเลยภาพมาเอะมาก็ต่แยกตรงนี้ทีจะไปรออที่หล่นขึ้นนิตกก็ได้อุองจุดตรงนั้นมีแหล่งน้ำามีแหล่งน้ำเป็นแหล่งน้าด้วยพใจ อ๋อนึกออกแล้วพี่เคยไปดูดกันอยู่อะแหล่งน้ำลุงก็จะมีน้ามีจุดอะหาก้อนหินที่ปลอดภัยอยู่อะอะแล้วก็มีจุดยาตราสนสวยแต่นะก็สงบกว่าลมแจ๊กอยู่ถ้าในกรณีที่รับฟรี่นี่ก็คือมันเข้าลึกขั้วบกหน่อยเข้ากั้วบกหน่ยแต่นักท่องเที่ยวแนี้ก็ลมแจ๊กเป็นตัวกลางที่สนใจไปอยู่ที่ลมช่าง ของพวกพวกเราเนี่ยมันมีสองสทที่ว่าให้อยู่ตรงนใจที่บิตกเนี่ยถ้ามีก็ได้แก้ก็ได้เลือกเอาถ้า้นมันก็เดินไปอีกสากิโลเมตรสามกิโเมตจากคนแย่นั้นก็สามารเดินได้ไม่ต้องมีน่ยะที่อยู่ที่อยู่ได้สบายสบายสำคัญตรงนั้นไงมันก็เป็นชายตาเกตาเลยาผักสสวยแล้วอาหารที่เราจะจะจะหยุดเอาไว้เป็นกองอ่าหยุดเอาไว้เป็นกองก็คือตรงเลยล้นทรายร้องไปเนี่ย ต้มน้ำกเนี่ยต้มฟินสามเดืยนต้นซุ้สร้าเนี่ยสามเดือนต้มทองน้ำนิดเดียวเอาออกแบ่งเสบียงอีกสองวันสองวันสามแหนีสามแหนะปุดเทียมส่วนที่พึ้นปูยำพูเราไว้ที่หมดเลยถ้าเราถือจากถุแก้ไปใส่สามสี่แต่ถ้าน้ำตกเนี่ยเราเอาไว้ถือถุงแก้ก็ได้คือสองถืน้าตกแบ่งของสองสองถือ แต่ว่าเป็นหลงแป้งนี่ถ้าประเภทอาหารเราแยกไว้ที่จะเข้าน้ำตก2สองคืนเลยแยกสัมส่วนดูนว่าอาหารกล้วยมีมีใบก็แบ่งวันนี้ส่วนที่ส่วนหนึ่งอ่ะอ๋อสองสว่าสองคืนหนแป้นี่เป็นข้าวสารก็สองคืนเป็นของที่น้ำตกเหมือนกันแต่ฝ น, นตกสองคืนอ๋อแล้วก็สามแยกสามแยกนี่ของขึ้นปูยงปูอยู่ในเจ็ดปอือใช้เวลาสองวันนีก็คือสองนี้ของอาหารออไปข้าวสารนี่คือแบ่งสามส่วนนะะอ๋อสส่วนตัวละสองวัน ล แ, นะแล้วสองคนสุดท้ายก็เข้าหลุมถ้ำถ้าเกิดไปหลงตายในหลุมถ้าเป็นหลงปไลงปสี่วันห้าวันก็ต้อง <c oughs> <c oughs> แล้วมันต้องส่งไงเน่ยส่งสมเครื่องนึงมาเอาไอ้กองกลาง <c oughs> ตัว น, นี้แหละอแล้วก็ใครจะมาหาไอ้กองเบียดที่ซ่อนเอาไว้เนี่ยนั่นมันจะเอาไปช่วยเหลือไงอะไรต่อม า, อมาถ้าเกิดมันอะไรมากกว่านี้ไงเราเราเดินไปหล่นถ้าแล้วเราก็เดินอาหารพร้อมอาหารสองวันเท่านั้วอ่า โดนทั้งห้ออาหารสวันแต่แล้วก็พอกลับมาแล้วก็มาสามแยกแล้วเราเตียักใช่ตั้งานข้าเที่ยงอเี้ยจมา้ออาหารเที่ยงก็วอสามมงโอ้มาตังจัดตั้งมาตรงสามแยกนเที่ยงกินข้าวที่เที่ยงบ่ายแล้วก็ขึ้นก็ได้อ้ขึ้นกตัวเปลางอ้ก็เินเท ตรงเนี้ยมันสามาเปลี่ยนแปลงได้สามารถนอนที่นี่ก่อนได้ง็ดอแล้วก็นอนนอนอะไรสบายๆแต่พัก่อนสบายๆแล้วก็ดีแหละสบายๆเดินหาปงซ้ากบอะไรอย่างนี้ยตรงนั้นเปนบริเวณ 4-500 เมตรนะนะมันลำพักปันแล้ตรงนี้มันมีลำธารน่น้อยดยอาน้ำอะไรด้วยแต่น้ำซับผ้าตอนเช้าล้วก็ขึ้นเที่ยงริซอซ้าแล้วก็ขึ้นไปปูดงอู ขึ้นไปก็ขึ้นไปตัวเปล่าก็ได้แต่ว่าถ้าเสี่ยงอะไรขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็ตำรวจปูนปูหน้าพงหน้าผาเราตำรวจมีเวลาก่อนข้าอ่ะเก็บส้มทรงส้มซ่าจิตประจามหน้าหาต้นไม้อยู่แดดอ่ที่แดดแยกไปไกลตอนนั้นตำรวจพื้นที่ว่าจะเดินจากเส้นนี้ไปทางดสังเาทางนี้มันเป็นยังไงทางตรงทางขึ้นตำรวจดูหน้าผาดูแหน้ามันมีเวลามานั้นนะขึ้นฉากเอ้ขึ้นพก ทำก็จะขึ้นน่าจะดีพักแล้วกระตื่นเนาะักหึ่นเปนจัะื่มนเนาะืเช้าก็ลงมาลงมาก็มาทาอาหารกินตอนเช้า้างลไม่ต้องออกเสบียงขึ้นไปึนไปนอนเฉ้ขึ้นไปนนาคเสบียงกินแล้วก็หมองขึ้นไปเลยอาจจะแค่ดาใบเดียวน้าชาแสบก็เบียงไอ้ก็ขึ้นดื่มหมดแะทุกคนให้ยอมน้ำแบบเดียวกันแต่ขึ้นไปเนี่ยเราไม่เห็นข้าแล้วนะ แล้ตักเรื่องปริโุทธทั้งหมดเลยก็คืออาจจะมีให้นั่นกินจะเอามาม่าไปห่อแล้วก็น้ำร้อนเราไปหาน้ำมาวนถ้าวันนี้เาเสียไม่มีตาน้าก็ปวดไปเลยกินมาม่าแห้งไปเลยเออตักปฏิพุทธเลยะมาม่าแห้งนี่หิวน้าหนักนะการกินแต่ว่าน้าเราก็เอาคอไปขึ้นไปกระโดดขามาม่าแห้งเราเข้าเข้าฝาเข้าฝุนไปหาเวลาล้านนานบ้านของตัวเองหาบ้านของัวเองเราต้องอยู่อย่าน้ได้ อาจจะไม่ให้นอนเป็นฟองเพราะว่ากขอยากจะให้ได้มันเยอะๆอาจจะอยู่แต่กาจะพยายามหาจุดที่ปลองภัยที่สุดให้ทุกคนให้ปลอนภัยก่อดภัยจากแบบนี้ท้่ทางระดมที่มีกระสุน หลังจากนั้นเราตำรวจพื네้นที่ตำรวจแรงน้ำตรวจท้หลายด้วยครัเิดให้เกิดอเขาจะโครงสร้างของยอนปูยอปูตอนนี้เราจภาพมุกมั้อ่ออดเราไปดูกับสร้างไม่รูุ้ดมอยู่ตำแหน่งไหนตอนนี้แต่รู้ว่ามีก้องสร้างแต่ไม่รู้ตำแหน่งเยอะไงบนเขาอ่ะนี่ย ผลไม้ป่าลูกฟักเตียงมันก็เกิดไปตามนี้เตอนแรกคิดว่าจะมีคนอยู่สามแยกนะอาล่าสมัคเป้าสมบัติอยู่สามแยกถ้าเกิดไปเยอะๆหลายๆกลุ่มนี่มันจะไม่มีใครแต่อยากจะคิดเนี่ยนะอยากจะมีเพราะว่าดูแล้วคันสบายๆไม่ไม่ไม่บีบคั้นเพราะว่าถ้าเกิดได้นอนเต็มที่แล้วเช้าขึ้นมามันก็สดชื่นแล้วตอนตอนที่อยู่ไอไอเรืนถ้ำเนี่ย เราก็จะนอนแยกแยกทุกคืนเลยสองคืนแยกทุกคืนเลยอแล้วตางวันช่วงวันเราจะใช้เวลาที่ช่วงสำรวจป่าอาาอาจจะมีกิจกรรมดูไปไปเดินจากวานถ้ำไปเชื่อมน้ำตกได้ไหมอะไรอย่างงี้ยระห ว, ว่างทางเราก็หาให้ดีภาวนาดีภาวนาหน้าอะไรนะสวยๆน่าสนใจก็ให้หลบไปเลยท่าน อ, อยู่ไปเล ย, เล ย, เลยอะอย่างเงีทิ้งไว้เลยออย่างงี้ยตอนตอนดีปันหนึ่อยๆเลยเอาไปเอามา ก็ดูสถานการณ์ดูว่าใครจะอยากติดต่อมาอยากไปอยู่มุมนี้ไหมสนใจไหมเ่าดูอาสาสมาัครหระรก็คือบริเวณนั้นเอาวางได้หมดคอสามารถถาเป็นบ้านเป็น่พักในาอ น, นาจส ก, กิโลกิโลกิโลนะเเชื่อมหากั น, นีป่าแท น, แ ล, นแล้วเป็นเก็บกานะอะเกบกป่าเก็บ ตางเปลียกา้มันเปลี่เรืองเจอพอลงมาแล้วอันน้เสรจแล้วก็ตรงตแ่แล้วมันจะผ่านานบผ่นบวงล่างำเองแม่ลางแล้วก็ควับมาเจ็บแ่กบจะเข้าตรงนี้จเาะเข้าตรงนี้แบบแก่ตตของน้ำหยดแต่้้ำใสจะเข้าตรงนี้เลย อม า, าเดินตามหลมมา เ, เรื่อยแล้วมาหักมาแต่นี้ก็จับพี่จตักก็สิ่งน้นตรงไปจับดูว่าน้อกมันกว้างเร า, าจะเข้าไปนีเ้เลยออมีแบบีนได้ตรงนี้ผมเคยแต่ว่าไม่มีทางแต่ว่าเป็นการเดินตักอาจจะมีตามีดอนถ้าไปไม่ไดตาไม่ได้เปิดนกน็อาจจะยากหน่อยแต่ว่าระยะทางไม่เกินสองกิโลถ้าเดินไปช่องหน้าต่างอ้อมลงมาที่เราไปกระสุนเทื่อยปีสีแรกขนาดนั้น สี่กิโลถ้าตัดทางด้านเข้าส่วนสอยยางจริงก็ตอนนี้คือทางเก่ามนยม่้แล้วยังไงเราก็ต้องเบือตัดกัเยอคือมันมยึดตากึดจั่ัว่าจับว่าใ้มัปสนวนสายน้อกส่วนสาแล้วเราก็เอเรืเอาตงที่ัายน้าบ่อในที่สวยเราก็ไปใกล้งส่นนระจายออกจากาน้จุดที่บ่อไทยัน มันก็มีเวลาสอนของปืนนก็แดิ่เวลแล้วก็มีแดเพมนแต่ถอาบน้อาบข้าเช้ามาวันที่สองอะของปืนสองก็ถือกินข้าวอะไรเสร็จแล้วก็เดินเลิกเขาเลย้อเดินออกมาผัดก็มาต่าไเซนเซนเกาหน้าผาแล้วก็มาลงมาพก็มาต่าแล้วก็ลงเนื่อยลงสันเชื่อมกับลงตัอยู่แ่นั้นไม่ต้องย้อนไปไม่ต้องย้อนกลับแบบโ่เพราะอนุนนั้นมันัเดียว ก็ออกจากปากมาน่าจะจากสองข้าเนื้อบางทีเรารักรับนวลแค่ข่าวเลยใช่ไหมใไปไม่ได้าทีกับพย้อดอ่ะเดินรักออกไม่ใช่จากหน้าขาออกอ่างมันลุมมันลุมหมดเลยไงถ้าถ้าโชคดีก็ได้เจยางนั้นถ้าไม่โชคดีก็มุดากมันคือเมุดปากเนี่เอาเอดาเลืกดอยู่แล้วบาทีแล้วก็ตายก็ภาวนาไว้ให้มันธรรมชาติมันเปิดเผยให้มันเอ่ ละเอียตัวเองอย่าลมเองอย่าจะโดนความเป็นไปได้นี่ไมสาเหตุที่อาจารย์พาเดินเมสายกอยากให้ธรรมชาติมาเขียนก่อนเียเืองเทางไม่งั้นเขาวันก็ไอเขาเสียงเขาอะไรมาเดินเขายากเหมือนกันนะแต่ถ้าธรรมชาติมาเคลียร์เคลียวเรื่อกเนียมันก็ยักอา่ากันการเดินเขาะยากนเดินง่ายแล้วไม่ไม่หลุดแล้วปอดไทยจากช้างด้วยจากปลาอะไรเนี้ยเพราะถ้าฟีนไนฟไปตามันเคลียร์เจ็บเก็บหรืี่นะ ส้ามก็อยู่ตามดอนบางวันตามดอนป่าดึกตนใกล้ๆแหล่งน้ำตรงรวมนี่ารล่องล่วเนี่ยเราเห็นเลยไป็นหารอเมตรหกวาเมตรเห็นหมดเลยมันหอดไทยเนียแต่ถ้าเป็นป่าเดินดูไปชักนดูป่ามาเจอกันม่รู้จะไปทางไหนอืมครั้งที่แล้วอาการไม่เห็นเขาก่อนเนี่ยมันจังขนาดแขนเดียวอาจารย์มุกไปหมวกยังไม่เห็นใช่ใช่นสูงอืมหาลมก็จะไวหน่อย ถึงถึงถึงไล่ก็ผลก็น่าจะประมาณตงเที่ยงหรือบ่ายสองบ่ายสามไล่กันมาเรื่อยๆคนคนไข็งแรก็บ่ายสองบ่ายสามบายสี่สี่โมงเย็นอ่ะประมาณไเกินคนสุดท้ทก็มันอยู่ที่สามโมงประมาณเ้ือาจจะไว้ก่อนพระว่าเราได้ฝัไกลพจริงจริงถ้าเกิดคนคนไม่ไปหล่นถ้ำคนไม่ไปหล่นถ้ำนี่เราก็จับมารับมามามารับที่หล่นแต้แล้วก็เอาหลงมันตก ใช่ใช่น네้ำตกตกไปด้วยกัน้ตกคน้ตกน้ำตกก็มีฝาละอะไธรรมชาติมันสวยใช่ต้องต้องต้องเย็นต้นสนโอ้โหส so right right? นส er องพันปีโอ้ต้นไม้สวยก็ลำทางสวยสวยนะใส่น้ำมันปีมันก็ขึ้นมาที่เดียวก็คือมาอาบน้ำอาบน้ำ อ่าตรงนี้แหละจะให้คนหาแหล่งน้ํา้ตัวเองแล้วก็หาหมออาบตัเองแล้วก็มีอื่นๆตัวเองก่อนายแล้วก็เอาหน้าแล้วก้าไม่ได้ใช่ไหมที่ว่าแต่จกเรือนสองเปอนสามเป็นจัดไหด้วยกันน้ำสำนักงานคนคนคนเยอะนี่ก็แข่งต้องเปลี่ยนได้ตลอดใช่มันมันอันนี้เบื้องต้นแข แต่ไหนเวลาไต่เด่ด น, น, นแต่ถนะ้าแค่ขึ้นขึ้นมาข้างบนมันก็คุ้มเลยใช้เป็นที่ภาวนาเป็นรอคุณแก่ๆนะถ้ามีวันพักมันก็เฮ้เาเพราะ <คน S 1> <ง>ว่ า, าปกติไม่ไปกันเลย อาการปีนี่เลยแล้วบาคนที่ไหวนี่คือต้องพยายามไหวแม่ก็ตางเขไม่ทันรา่ว่านี้เรามีจุดท้นไว้แต่แต่โอ๊่ไปไม่ตกลงโอ๊ตคืไม่ได้ไม่ไปครับไปแต่ว่าวันลงนีเดี๋ยวเรต้องมาต้องดูกันถ้าสมมติว่าเขาไปแต่เราถึงแบบช้ำที่สามที่สี่นะฮะจากามารถปรับเปลี่ยนได้ก็คือ อ่ลงลงเขาวันวันลงจากปูย่ปูโอ้โอะไรต่อไปใช่เขาชนันชะนะกันอาจจะชนกันุกกนรุบีบีเชื่อมมาสัางกนนนะว่าอาแมสมารับที่บนแป้งโอ้ตอนขากระงั้นเราก็มาที่บนแป้เนะี่ยแล้วก็ส่งโค้ดแยกกันใช่ไหมเอารถโดยมานไทยก็เขาก็ได้แคประมาณห้าตื น, นะนว่าเอารถโดวบาน บ้านมีหลายหลังนะบ้านที่เราไปเยี่ยมมัน่ะเดินไตเยอะนะเดินบนเขาไก่เลยเขามีรถลากเดี๋ยวเขาเอาลถไปสองนี่นะก็ได้คนคนคนที่จะลงก่อนอ่ะคนที่ไม่ไปต่อไม่ไม่ไม่เข้าน้ำตกก็กลับได้ก็ประหยัดจะได้เสาคืน น, นี่ก็เดี๋ยวยถ้าถ า, าจานที่เป็เ ก, ก่อนเนี่ยถ้าเป็นโตของหนักอะ้นเนี่ยเป็นภาษาอ่างเนี้ยแต่ทีน่ะถาจานเนี่าได้ไปก่อนอาจารย์ทานรือเปล่าเป็ น, นก่อนเอาไปที่ทนี่เปนแป้นะออเดี๋ยวไปคุยกับคนที่นี่ก่อนว่าวันที่จินเนี่ยตอนสามารถาความเพียรจะได้ไหมสามารถที่จะมีลักษณะั้งหคนอะงี้ยส่งแบตง่ต้ง้และยี่สบโลหรือสิบห้าโลนี่ก็ว่ากนไป้าแรงก็จ่ายค่า ไปส่งขาวอนี้นะครับมีสเียงอะไรไปครับกานั้น็ขึ้นพอมกันวันเดียวเลยแต่คนนทางเนี่น้อยามีข้อหนึ่งอย่างเงี้ยข้อหนึ่งอย่ีเดูคองยักคนอย่างทางนำทางไม่ให้หยุดให้รอก็คือแต่งทางด้วไประบังช่วงอาจจะสักคนไม่ได้เดินเส้นทางที่ระวังเนี่ยมันก็จะมีเสายุงเสาวันอะไรเงี้ยบีถ้าอาจะเปียนเส้นทางเบี่ยงต้นไม้ลมอะไรก็ต้ง่าทางเรา ว่าผมที่กะวลก็มีหรือไอ้น้ำหนักอาหารมีก็แบบว่าคิดว่าถ้าเกิดได้ได้ได้ขาขึ้นหรือแล้ลูกขาขึ้นไปแบบแบกของขึ้นไปแล้วก็เราแบกเฉพาะสัมภาระของเราขึ้นไปมันก็ประหยัดแรงไปได้เยอะก็น่าจะมีก็น่าจะมีเยอะหราอันนี้เราคุยกันรัดดิอยู่อคุยกันล้วแม่ก็ได้เอาหางคนอย่างเงี้ยออคนได้มันพิจิตกันนะพอคนแล้วก uh, <c oughs> ็บวกข้อหนึ่งอะไรบวกข้อหนึ่ง หนึ่งที่กลุ่มกลุ่มน้ตาลน้ำาลนียก็อาจจะแบกได้ช่วยนิดหน่อยเราะมันน้ของแบกอันนี้เราพ่ลูกหาแบเราไม่เยอะเแี่ของพี่นของเราแต่จะคุยก็ได้ขอคุนนถ้าคุยได้ก็กล้กับคุกประมาณนี้ไม่เกินสคนก็เดียวย่งเี้ยัอกรับเดียวไปทบข้าววันเดียววันเดียวขึ้นลงอย่างเดียไปส่งไปเลยแต่วันลงเราก็มีเสบียงอยู่แล้วมีแต่ของนาใช่เอ ก็คือวันพุธพุธแรกนี่ก็คือวันเดียวจบใช่ใช่เขาต้องอาจเป็นนอนไม่นอนเขาก็ลงอะไออต่แต่แต่แข็งเขาไปถึงแล้วก็รับค่าแรงแล้วก็จะไปตังป่าตอไปอะไรที่เขาตอกเขาวันไหนลงซับวันค่อลงไปแล้วแต่เขาคี่จะรอรอโอ๊ตก็ได้แต่ว่าขึ้นไปก็คือเราไปเดินเดินไม่ทำเรานหละเดี๋ยวถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่แพงก็ดูว่าแต่นี่ข้อหนึ่ง ถ้าติดตามตลอดนะนะคนเดียวหรอแต่ว่าอยากให้มีปืนไม่อยากแจกไม่อมมาับคนเียวเรากรัดองรบ้องคุยผ่านรดีดูแต่กลัวว่าถ้าเจอเจ้าหน้าที่หรือว่ามันกาถ้าเห็นปืนมันจะลบากจกปืนอะไรอย่างเยตาคนในร่าสักหนึ่งเนยพ่อพ่ออูนพ่อโอเนี่ยจะไปตลอดตลอดตลออไปตลอด กันแต่ละชิ้นแต่ละวันใช่ไหมครับว่จะมีพ่โนี่ยแหละเป็นเป็นผู้ที่จะประจัยเลี้ยงทำอาหารอะไรมาเป็นแรงงานหลักเลยนะฮะเราต้องเราต้องสนานมากที่เราจะก็จะหาอาหาไว้หาอะไรอาหารมื้อหนักมืใหญ่ถ้าเราบอบพวงต่อไปก็จะเป็นโอ้ เพาถ้าตามไปทานสามสี่คนไม่อยากให้ตามเรามันเยอะไปถ้าดาดันกัน็จะเยอะคือแล้วก็บางทีเราก็ได้ใช้ศักยญาตธรมของเราด้วยใช่ไหมใช่เราไม่ใช่มีแล้วสุดท้ายแต่ทียไปเสียสติเขาไม่ได้ช่วยเราเลยใช่ไหมก็เพราะไหมเาก็ฝันเราก็ฝันตายถึงว่าเราเข้าป่าขาไป อยให้ให้ดูแลเส้นทาง อ, อลุยป่าไปนําทางไปให้เพื่อนพอปลอดช้างเห็นช้างแล้วมาบอกอันนี้ก็ไม่เคยเลยมีแต่เราไปชนทุกทีเลยอาจารย์ก็เลยจุดเราลยหา ย, นะยัางไงก็ต้องคุยอยู่แล้วเนี่ยย <c oughs> <c oughs> กเว้นต้องคุยยันก่อนทุกครั้งคือดูว่าเขา้าวันวันเขา้าเขา้เขาปา่ปาปา่ปาป่าติดเนี่ยเขา้าเข้ารถด้ามเนี่ยก็ต้องเนินําทางแล้วทําสัญลักษณ์ไปเรื่อยๆ แล้วก็รอเป็นระยะระยะอาจจะเดินไปกิโลหนึ่งก็ย็นรอรอรอแต่ไม่ใช่ออกนอกเส้นทางแล้วเดินตามหลังเราไปเอานั้นนะมันมหนื่เหมือนกับเราคือคือยิงการมีคนนำทาเนี่ยเพื่อเพืเซ็ตความปลอดภัยจากต่างๆถ้าเห็นเรามาบอกกันให้ดูล่วงหน้าไงเพราะว่าถ้าเราจะสังเกตดูในมุกดารามันสังเกตไม่ได้เพราะว่ามันเสียงมันตกไปหมดเลยถ้าเดินทางไปเลยหนึ่งกิโลร้อยเมตรสองร้อนั่งนำาไปก่อนเลย ตอนไหนมีอะไรก็ลอรอหมูโกคอยดูแลเทคแคงตลอดนะอืมเออมันมันมันเป็่าบกอดไทยไงวันขึ้นกูยังปูปุ้เนี่ยถืว่าเาหนึ่งนำทางไปก่อนเขาอาจจะเซเวยก่อนก็ได้ร้อยสองร้อยสามร้อเมตรตัดทางไปเรื่อยเืยเพราะอันนี้ก็ไม่เป็นทางนะขึ้คือยังยูต่บทีเราตูดแต่เดียวนะใช่ไหมมุดลูไม่ได้เป็นทางมุดเป็นลูไม่เคยเป็นทางเก่าเลยเดินทางใหม่เรื่อยืยเลยใช่หล่ะบางทีก็เขาวันเขาก็ตัดไม้ขึ้นไปแล้วก็ไปชนตำแหน่งที่ ชั้นสุดท้ายมันก็จะจําได้ก็จะหามขึ้นไปอีกปีหนึ่งอะไรเงี้ยมันแต่กั้นทุกปีเลยคือถ้าถ้าถ้าถ้าตกลงมันได้ตรงนี้จะคุยกันหน้างานออแต่ว่าก็ตามได้แค่คนสองคนตลอดนะมามตลอดคือตามตาตลอดนี้นอกจากพโอก็อาจจะมีเรื่องหนึ่งจะได้จะได้เตรียมกองกางใช่ใช่ใช่ใช่ เพราะอย่างน้อยก็ต้องให้จ่ายจ่เข้าไปตามท่าแรงหรือค่าแรงเนี่ยอาจจะวันคนบาทางอาจจะไม่เป็นวันละพันเนี่ยถ้าถ้าเปนทุกวันมันก็ต้องเฉลี่ยกันด้วยใช่ไหมอ่าอาจจะอยู่ที่เยอห้าร้อยหกร้อยองมีนะฮะแต่ใช่ไหมมันก็ต้องเฉลี่ยไปอย่างไงหรือถ้าตามทุกวันก็ตีเป็นตัวสองคนไม่ต้องเป็นวันละห้าร้อ่ยวันละห้าร้อยห้าอยเรื่องขาขึ้นในการให้พันสารขึ้นเนี่ยดีเป็นห้าตันเป็นผลพั้นเป็นเพราะว่าจะได้ได้แห่ คนละพันมันจะได้ไม่ไม่ต้องมองแง่กันใช่ไหมตารวจได้ไก็น้อยไปมากได้ดูไอ้น้หนักน้ำหนักของใช่ก็ต้องยืดยู่ตามตาราแต่เพราะว่าเป็นไปแบกถือของนี้หน่อยเนี่ยจาเอาันก็ดูความเหมาะสมพมาเปิดใถ้าอเราไม่เยอะก็อยากอากก็ไปจิตคนทุกคนแบกเป้เองใช่เป้าหมายของการแบกเป้เองอาหารเราก็เองมัน มันไม่มีลูกหาไม่มีอะไรพวกนี้แต่คนนำทางก็คือไม่ต้องจ้างแต่ในความเสี่ยงของเราก็คือเราต้องต้องเดินเองปลอดภัยมันก็จะมันก็จะระยะสั้นกว่าสั้นหมายถึงว่าถ้าอาจารย์นำหน้าก็พอไปได้อยู่แต่ว่าคือถ้าเจอช้างมัเจอชับจับนะมันไม่รู้ความปลอดภัยเผือช้างชาร์จมันก็มันมัแก้ไขอะไรไม่ไอ้สมมติว่าถ้ามีคนนำทาง คุณนักสอดทองคนนำทางมันจะล่วงหน้าไป100 <blows. S 1> ร้อยเมตรสองรอยเมตรหนห้้อยเมตถ้าเเจอของช้างมันย้อนกลับกินมามาบอกเราเราก็รู้ว่ามีช้างเราก็จะเตรียมตัวจอยู่อ่ะดีทุกความปลยทีนี้เออเออเอเอทางานร่วมกันนี้นะฮะให้มันเข้าใจใมันได้เต็รับตมปลอดภัยในการเดินทางเพราะมันจนวนคนแนละ้วมันคอเท้นคนไม่ได้โอเคเดี๋ยวจัดเต็มคนให้ ก็คือเจ็มพ่มนก็นคือช่วงการคืนนี่แหละที่จะตีนี่แหละต้องบริหารช่วงแ ก, ก่ออกไปซอยไปให้มันเหลือน้อยแล้วก็ให้มันเงียบที่สุดหรือจาัด ก, การสังคม อ, ะอ่ะจาัด ก, การสังคมแยกแยกมันออกจากกัน อ, อแยกออกจากกันเพื่อนก็ต้องออกจากเพื่อนอะไรอย่างนี้นะคนรักก็ต้องอยากต้อออกจากคนรักอะไรอย่างนี้นะแต่ต้องต้องบอกว่าเง้ยไงกางคืนนอกคนเดียวนะออบอกล่วงหน้าไปเลยไม่งั้นมันจะไม่ยอมมันจะไม่เข้าใจกติกาไง คือคือโปรแกรมมันเป็นแบบนี้คือเข้ามาในห้องเรียนนี้มันประมาณนี้ก็ก้าวกินข้าวก็คือประมาณเนี้ยม่เดียวอะไรงเงี้ยตอนนั้นก็เป็นม้ำตาลนงปะนะอะไรเงี้ยแบกฟองก็แบกของเองอะไรประมาณเนี้ยนอนก็นอนเสื่อบริมนใบหนะอาสนะนอนแบมือนบล็อินซีอะไรอย่างเงี้ยตามตามต้นไม้หรือก้อนหินหรือแยกแยกนอนหรือก็พมองเห็นกันอะไรอย่างเงี้ยคนรักก็แยกออกจากคนรัะแยกกันไม่ให้นอนเป็นเดียวกันไม่มีเต็น ให้มีถุงนอนมีกบบไฟซีส์มีอะไรถัาฝนตกก็แก้ไขสถานการณ์เอาอะไรเงี้ยแต่ก็จะหาจุดที่ปลอดภัยจากสัตว์ให้มันจะแนะนำข้อมูลต่อสารต่างๆให้ประมาณนั้นมีืว่าช่วงวันระหว่างนั้นก็จะเกิดการพัฒนาทำการแลกเปลี่ยนแชกความรู้กันและกันก็จะมีการระดมกิจกรรมกิจกรรมกระจัยมันก็จเดเอง แต่ว่าเราทุกคนต่าง ค, คนต่างต้องลงลงไปสนามอันนี้ยแล้ไปเข้าไปเชี่ยงต่อกันมันก็น่าทำมีจังแต่ความรู้แต่ทุกคนก็มีมีความรู้พอสมควรดีไปมีประสบการณ์อะไรแต่คือว่าเป็นการปาระนคนไทยร่วมกันกอนนนะใช่ไหมรวมรวมดาวใ น, นรอบหลายปีใช่ั้มมันก็มีหลายคนมาี่หลายคนที่ไม่ได้มาเจอกันหลายรอบแล้วนะ ถ, ถ้าโชคดีก็เกิดเชือกช้างตา6 6คืนเนี่ยมันอาจจะมีสักวันหนึ่งคืนหนึ่งที่มันต้ก็ดี อ, อ่ามันก็ดีนะก็ได้เสียงไม่ได้นี่ยไงใช่แต่ว่าถ้าถ้ามันอ่มีของช้างตามาอยู่เนี่ยนะสองสโดสั้โดอาจารย์ก็จะรู้ ร, รู้แล้วก็อาจจะเกิดปง ปกา้าไปเรียนรู้เชื่อ ต, ต้องนจังที่มัน เ, เราคันตายอย่างนั้นาไปเรียนรู้ค่อยๆเข้าไปหาั้งยังไงเข้าไปเยียนรู้าาชางอะไรอย่าเงี้ให้เราตกใจนะให้เราตกใจนะเราปวดหน้าตามเชื่อมโยงอย่างเงี้ยนะก็จะมีคงความรู้ตัวนี้ขึ้นมาอันันก็ดีนะ<ม>นส่วนเดี๋ยวมักนะ็ตอนหลังไปนี่จะพบเจอเรืเ่องเลยนั <ś> ่นหละนะเจอเรื <ś> ไม่ว <C da S 1> <laughs> ่าจะเอ่อบังเอิญหรือว่าไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เตรียมอะไรไว้อะไรเงี้ยมีก็ต้องเตรียมเตรียมแต่งตัวเตรียมอุปกรณ์อะไรให้เพอหอมใ่ให้ให้ให้เหมาะกับการแ่งตัเนียให้ปลุกรองเ้าเปลยเียตาติดเปียนเา สภาพ่าอย่าสีแดงเปลี่นไปอยสีเหลืองเปลี่ยนไปอย่าสีเขีาวเปินไปให้เป็นสีดำสีเขียสีกงยืนในธรรชาติสีใบลางนะไรอางเงียแต่สีน้ำตาลสีดินนหะไม่ให้มันสีเยายุฒิเออแบบประมานั้นแล้วก็กลมดึงตาหน่อย เขมีพืชพากพิ่มก็ดูเบาลงดูเบาขึ้นดูคลายดูไม่ไกลนะอย่างวนแรกวันแรกเนี่ยเริ่ม10กิโลบวกลบปิดเอาวันที่สองประมาณ9เป็น10กิโลผวลปดเอะวันที่สามไอ้สามนี่คือที่อยู่บริเวณอะไรจัง2กิโครับอาจจะไป็น5กิโล0โลมีวนอยู่นะวนทำดวจใช้ระบบทำดรวนแล้วก็อากาศมาออกมาไอ้เป็นเป็นปูอย่างปู3กิโล สั้นกิโลสวยเราขึ้นภูกระภูยำภูก็สองกิโลไม่เกินไมเแค่นั้นเองบนอยู่ตรงนี้ยแล้วเดินจากภูยำภูลงมาไปน้ําตกก็สามกิโลสี่กิโไม่เกินเเบาแล้วเนีแล้วันที่วันคืนที่สองของของสายน้ําก็อยู่บริเวณตาสํารวจตาอาจจะสลับกันย้ายที่อะไร่างเงี้ยสร้างสีสัสร้างมุมมองใหม่ก็ผ่อนใจอยู่ในน้ำเจนน้ำตกก็ได้ได้ได้บรรยากาศนะจ๊ะวันแรกวันแรกก็เดินขึ้นเดินขึ้นเขา อีกวันก็เดินไปตามลานหินเดินชมธรรมชาติป่าสงโคตรดีนะแล้วก็มีป่าดิบด้วยที่ที่จะสวยก็คือต้นท่มน่นี่เป็นสวนสวนหินสวนหินชาแต่เราจะาวางประเด็นมันก็จะานอยู่อ้ตืนตาตื่นใจแชรไปแชร์แรกนะแต่นั้นเราเราไม่ได้ทางเลยครับาทางอยู่ตรงน้ำนั่นแหะโอ้สวยบันเิศอ่เด แล้วก็อ้กงจับไอซ์ได้จสุดประเด็นที่ห้าได้บรถคบรถบรรจาร์มีหาดทรายด้วยมีแต่ทั้งหาดทรายสายน้ำมีหมก่ป่าก็จะเป็นที่เรียนารเป็นผเรียรู้เชื่อมโยงกับป่า ได้ยิรู้การถามมาภาษาไการภาวนาให้มีสีสันอ่าิปอคลิปจะได้เอาอัพูบแล้วก็เอาไปลงให้ใฟังจะได้มีต้องถามกันเดี๋ยวได้รู้ว่าควรจะต้องทำอะไรเข้าเข้าเข้าเ้าได้ไหมเข้าเข้าก็คือคุยไปแล้วอ่านแล้วไม่ไมยไปถแค่สโคปสั้น แค่รแค่วันวันอะวันเดียวไปเปิดดูไปผู้ตอนนี้แค่คือเดี๋ยเข้าๆอะเข้าๆใช่ไหมก็ขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็พักหล่นแท่หล่นแท้แล้วก็ไปหล่นถ้ำหล่นถ้ำแล้วก็กลับมาสามแยกน้าตกแล้วก็ขึ้นผูสามแยกแล้วขึ้นผืนผูลงผูลงผูก็มาเดินมาหล่นแท่หล่นแท้แล้วก็ไปน้ำตกอีก อ๋อมอันหลึ่งแรกหรือป็นอันสอแล้วก็การลงจะอยู่ที่ว่าจะลงก่อนหรือหลังหรือหรือพอดีก็แล้วแต่จังหวะต่างวันค้างแล้วก็วนให้เลือกลงทีทีถึงการัด้ินใจกันแล้วว่าจยงว่าจังหวะที่ให้คืนก็เลยบอกใจนะ้าเราลงก่อนวันก็ตอรถมาท the the ี่แบบพักที่นี่แล้วก็เราลงพื้นให้กลับมันจะได้ส so <c ad ises> ัอนคลายอย่างเง้ยแต่ลงตาไม่ได้ลงก็ต้องไม่ลงค่ะ ถมถ้าลปาอยตาหากันก็อาจจะเจ็ปันสิทอาจจะอาจจะแต่ก็หก็เปลี่ยนไปตลอด่ดูนั่งงานอันนี้มันเป็นอบของสัตว์ความตึงมันก็ไม่รู้จะเป็นอไ้าใช่ควบคุมไม่ได้พอจะตกนนีจะหนาวนี่ไม่รู้เลยจังอาการปวดด้วยจ่ะอ๋อายดีขเลยว่าอย่างนี้ เมื่อปีนั้นเนี่ยปีนั้นที่ครูอาจารย์อะไรม า, นานเนี่ยปีเป็นที่สโตกต้องหามลงกันมีได้ละมียลหยกปีหนึ่งที่พ่อฝนหล่นพ่อฝนหนีก็เลยอากาปีนั้นละที่จะเป็นที่สโตกต้องหามกันไปแล้วมิเชลของลงก่อนก็เลยฝนตกนะะเปลี่ยนอีกแล ผมว่าฟ้ามันเลยจ่าย่ายฟ้าแล้วฟ้ามันมเดือนก็ก็น่าสังเกตบยูวยาจะรู้ก็คือมีะเมษาเดือนมานี่ยถ้าฝนตกฟ้าจะรองฟ้าจะรองค่อยโอนา่อกรูการาตั้งใจฟ้าหรือารองฟ้าหามันจะถาได้ง่ายเดือนเดือนเมษาเลยนะเดือนนี้ดูจะดูอีกทีหนึ่งครับคนตกแ้วมนมีอาการแบบไหนกระดาษก็จะบอกว่ามันมันจะพาไหม ตาผลบางชนิตมันมันจะต้องดูดหน้างานแต่ที่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นฝนแบบนี้ลงจะแรงแล้วพัดใกล้ต้นไม้ใหญ่ก็ไม่ได้อมอมันต้องมีความเสี่ยงรยางรยละเอียดรายหยาต้นไม้อาจจะถ้ากำนั่งสมาธิอยู่ต้ไม้เอาบึ้มเรียบร้ยเลยแต <c oughs> ่ว่าจะนั่งสมาธิได้ตาแล้วกันนะคนไปเที่ยวตามบุรียานต้นไม้ลมทับตายเลยนั่ <c oughs> งกินข้าวอยู่เสเฉยๆปิกนิกอยู่นี่ใช่ไห ม, มหรือว่าไปกลางเต็นในรางที่เราจัดรังไว้ช้างให้มันหยบตายเลย เนี่ยเออเนี่ยเราเห็นว่เ่หลายมืไหรมั่อฝนตกยงอกมาอีกเนี่มันก็จะมีการปรับเปลี่ยนตามนั้นแหละงนหรงานมันลุกละว่าโมอหไงแต่ก็เหมือนเดิมที่อาจรย์บอกก็คือไม่ใช่เจนไม่ใช่ฝนเท่นนั้นก็คงเดิมอยแล้วแล้วก็ไม่ได้ อาจารย์ในศาลเท่ากับวาที่วัดจะขึ้นเากับว่อาจารยในหน้างาน้มแล้วีจะให้ขึ้นส่กหคนก็แ้ให้าลงกลับมาก็ูอาช่วยอะไรไดบ้างแล้วก็ให้ลูกค้าเกับอน้อยก็ต้องมานอ่าุคห้าจะให้ขึ้นไปส่งยังแล้วก็ไปรับที่นไปรับ่ไม่ต้องรับ แ ต, แ, ต แ, ตแต่ขาที่กรานขาจับยากก็ค so so ือเป็นคนนาทางคนนำทางก็ก็ขนอาจจะลูกับไปยู่ผู้่วยคนเนี่ยนั่นคืประมาณนั้นคืองั้นถ้าต่าตอนขึ้นก็ประมาณข้อหนึ่งกับลูกหาก็ห้าคนรือผู้เงน่ยขหนึ่งคนเดียวก็เอาอยู่แหนแหนเป็นคนมารับจากตรงตรงขาชมะต่างหรือว่าตรงหนแ้นะ หรืแกจะคิดมาเชื่อมนอนพื้นก็ค่อยๆลงไปกันหน่อยก็เลยไปปรึกษาการเพราะว่าถ้าห้าคนนี้เขากับว่าทั้งหมดนตีไปลงๆกับสาสิบก็เกิดห้าตอนหนึ่งคอยควบคุมคอนโทรลเราเพราะเรามันเกิดเกิดสามสิบนะนี่สูงี่เจเพราะฉะนั้นถ้าเข้าไปห้าคนเวลาขึ้นเงินก็ยากได้ห้าตอนหนึ่งเนี่ยมันก็พอรักษาระดับอะไรทีอะไรได้เพราะว่ามันสําคัญตอนขึ้นแตอนลงนะไมคะอาจารย์ที่ไม่จับตาหนึ่งคือไม่ให้แะแบกอะไรนะก็คือเป็นคนนําทางให้บอกอ่า ไอ้ความรับผิดชอบของแกทั้งหมดให้หมดไม่ต้องถืออะไรแล้วแกก็คือแต่ของของแกแต่ก็ไม่ใช่เป็นแกไม่ได้เป็นลูกหายกคือเป็นคนนำทางนัดหน้าที่นำทางไม่ให้หลงไม่ให้หลงหรือตังค์ให้ปลอดภัยจากช้างหรือว่าให้ให้ให้ให้รู้ข่าวสารแบบนีสัเกตไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่าเราคือเป็นใครรับผิดอะไรแล้วบมบาทจะชยหาไม่แบกเลยเ้เป็นสนับสนอนี้ก็อันนี้ง่าย พอพอขึ้นไปเ้่าวนมันก็สัมภาระก็ช่วยช่วยถือถือกันไปได้โคล โ, โลสอง โ, อโลโโลโ่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพอไปถึงเนี่ยถ้าเขาความเวลาเหลือก็อาจจะไป็นพ่ที่สอนเขาช่วยเอาของไปวางไว้ยอดเลยก็ได้ไม่ต้องมันจะเป็นมันเป็นสัมภาระแล้วก็มันมันจุกจิกตัดจบตรงนี้อ่าคือไปส่งแค่ที่พักก่อนนั้นเพราะมันไปงานเนื้อรังไปที่ไหนแตมันคงเย็นแต่คิดว่าบางคนก็อาจจะไม่อยากลงเขาอาจจะพักคืนไปได้แต่ละแต่เขา แต่เราก็คิดให้เขาแค่วันส่วนส่วนใหญ่เขาก้ไม่ไม่ลงหรอกเขาตมีโอกาสจากแล้วอย่างนี้เราจานแล้วอย่างนี้เราให้เทาวันหนึ่งใช่ไหมคะวันเดียววันเดียวมันจะจบเลจะได้เป็นข้อหนึ่งถ้าเกิดหนึ่งจะตามเนะถ้าเกิดจะใช้แล้วค่าแรงให้วันแรเท่าไหร่ประมาณไปเลยจานมองว่าก็ค่าแรงวันแรกแล้วจบกวันแรกวันแรกหว่าให้ให้ให้ใหญ่พันหนึ่ง คนละพันนะอ๋อให้คนละพันไปเลย6ก็หหกคนหกพันคากับก็สองคนก็แปดคนละพันก็แปดพันตีไป็ึงก็1มื0นเข้าๆเฮ้ยเนาะให้รู้กันไว้ประมาณนึงจะได้จะได้ไปคำนวณในมันได้งานตามย่ังถือว่าสมอว่าถ้าเราเอาเอาแค่ถือว่าเอาคนทางขึ้นสองคนลงสองคนก็ตีสองพัน แล้วประมาตัวแล้วก็ไปสี่คนเขาก็พอกอนนี้ไปบริหารอานอะไรนี้นะเข้าใจไหมฮัลลอนเอันั้นเขาเป็นเพื่อนเขาไงหรือเราเพื่อนมาไปเป็นกลุ่มอะไรอย่างนี้นั่นกแจะได้เป็นกลุ่มก็ให้สองพันไปจบเลยให้เขาไปบริหารตัวเราไม่ต้องไปไลนลคนเดียวหรือจะคนเดียวก็เอาพันเดียวถ้าอยากมีเพื่อนเอาไปคนหนึ่งก็ไปได้อะไรอย่างนี้แล้วก็ให้ก็้ ไปาำดีดมันเขาก็อยากมีเพื่อนไงพอคนนี้คนชาวพานาตายได้ทหัหเลย ดูมันไปเป็นเพื่อนดูด้วยอย่างเงี้ยซื้อเหล้ามันจะแบ่งซื่อเหล้าให้กินใช่มก็ใช่รวมรวมน้าหนักของรวมน้าหนักของพวกเคร้าวแล้วมันก็จะสามารถคำนวณปริมาณคนได้แล้เลียต่อคนประมาณ1ีส5บ้ากแต่พี่รู้ก็คือของกินทั้งหมดที่ทาก็คือให้คำนวณอ่างนั้นคนวณบริหารตรงนคำนวณรับข้าวสารรับแก๊สตรง้ตกลงถังแก๊สที่ตกลงเอาอย่เอาเล็ไม่ไม่ต้องไม่ต้องตัดประเด็นไปเลยพี่กู้ ก็คืออาจารย์เป็ก็แล้วแต่อาจารย์เลยคือไม่เคยซื้อมอตรวง่ายๆมอไม่แบบลำไม่มีบรรดาอะไรเลยสมมติถ้าเราเจอการเหลืออาจารย์ไปเติมเงินนะหรือแต่ไปสะกดช้างก็คือตอนนี้เหลืออีกคนเดียวเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะเนี่ยคนเนี้ยวคนนี้เขารู้ชะตากรรมชีวิตเขาอยู่แล้วเขาจะควรทําอะไรชีวิตนี้แล้วม่ไปโน้มน้ําไม่ต้องไปบอกไม่ไม่บอกแล้วใจบอกไอที่ให้คิดข้อคิด รู้ไกล้ไปพูดมาก<ะ>ส่วนระดับนี้ใช่ไหมประหยะัดระดับเที่ยวเท่ระดั บ, ๆๆๆดบต่าง